เรื่องที่5ขัดใจความขัดใจเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งในการใช้ความคิดแม้จะไม่มีพิษสงรุนแรงแต่ก็ทําให้เราใช้ความคิดไม่สะดวกอุปมาเหมือนเราเป็นหวัดคัดจมูกหากไม่ทําอย่างใดอย่างหนึ่งเสียมันก็ก่อความรําคาญไม่รู้จักจบความขัดใจเป็นอาการของจิตที่ผิดปกติอย่างหนึ่งทางศาสนบัญญัติ เรียกอาการนี้ว่าปฏิฆะซึ่งแปลว่าความขัดใจโดยตรงปฏิฆะนี้เกิดจากอารติคือความไม่พอใจและถ้าระงับไม่ได้ก็จะกำเริบขึ้นถึงขั้นเป็นโธทัคือความโกรธท่านที่ติดตามคำบรรยายธรรมะของผมมาพอสมควรคงจะจำได้ว่าผมขยายอาการของจิต ที่เกิดกิเลสสายโทสะไว้ดังนี้อรติคือความไม่พอใจไปปฏิฆะคือความขัดใจปฏิฆะคือความขัดใจไปโกทะคือเดือดดานโกทะคือเดือดดานไปโทสะคือคิดร้ายโทสะคือคิดร้ายไปพยาบาทคือผูกแขนตามที่ขยายส่วนไว้นี้ ท่านจะเห็นว่าปฏิคั้งคือความขัดใจที่เรากำลังหยิบขึ้นวิจารหาความสงบอยู่นี้เป็นอาการของจิตที่เกิดจากอรติและจะ ก, กำเริบเป็นอันตรายร้ายแรงต่อไปหากไม่ระงับให้ทันท่วงทีความขัดใจนั้นอาจเกิดขึ้นจากเหตุต่างๆหลายอย่างด้วยกันยิ่งถ่าใจใครมันหาเรื่องจะขัดอยู่แล้วอะไรอะไรก็ดูจะเป็นเหตุขัดใจได้ทั้งนั้น ได้เย็นก็ขัดใจว่ามันควรจะร้อนครั้นได้ร้อนมาตัวก็ทำตะกรุมตะกรามซดเข้าไปลวกลิ้นตัวเองก็ขัดใจอีกคือขึ้นอยู่กับพื้นใจของแต่ละคนด้วยเหมือนคนเป็นหวัดคัดจมูกนั่นแหละใครกระหม่อมบางมันก็เป็นบ่อยฝนตกก็เป็นหวัดแดดออกก็เป็นหวัดฝนไม่ตกแดดไม่ออก เพียงแต่โดนฝุ่นเข้าหน่อยก็เป็นหวัดที่พวกชาวไร่าชาวนาเขาทอดแหหาปลาแดดเปรี้ยงๆบางทีก็ขุดดินที่ฝุ่นฟุ้งกลบไปทั้งตัวเขาก็ไม่เห็นเป็นหวัดสักนิดเรื่องความขัดใจก็เหมือนกันใจใครจะขัดมากขัดน้อยจะขัดบ่อยหรือนานๆทีมันขึ้นอยู่ที่ใจของคนนั้นด้วยจริงอยู่ คนเคราะไร้ายที่บังเอิญไปตกอยู่ในวงบุคคลและสิ่งแวดล้อมที่ชวนขัดใจมากๆก็มีอย่างเช่นบางคนเกิดไปได้ผัวหรือเมียชนิดคลุกละแต่เข้าตรงไหนมีแต่เซี้ยนแต่หนามหรือบางคนไปตกที่นั่งลําบากได้ตําแหน่งงานที่ร่วมกับคนที่ชอบคัดค้านชอบขัดเอาข้างเข้าถูวันอย่างคํา อย่างนี้ก็อาจจะขัดใจบ่อยๆแต่ถึงกระนั้นก็ตามจุดที่เราควรระวังมากที่สุดก็คือใจเราเองและเรื่องที่จะขัดใจได้มากที่สุดก็คือเรื่องที่คนด้วยกันทำขึ้นเท่านั้นความขัดใจนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ก็ตามนอกจากจะไม่มีประโยชน์อะไรแก่ร่างกายและจิตใจของเราแล้ว ก็ยังกลายเป็นเรื่องลุกนามใหญ่โตต่อไปได้เหมือนเปลวไฟเล็กน้อยที่การไม่ขีดอาจลามไหม้เสรกระดาษขึ้นถึงฝาและหลังคาเรือนก็ได้ในบรรดาเรื่องทะเลาะวิวาทบาดหมางทั้งปวงนั้นหากจะสอบดูต้นเหตุจริงๆแล้วก็จะพบว่าฝ่ายหนึ่งในคู่กรณีนั้นได้เกิดความขัดใจขึ้นจากเรื่องเพียงเล็กน้อยแต่ไม่ได้ดับเสีย ผนที่สุดก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่สุดที่จะแก้ได้บางคนยังแถมเข้าใจผิดเสอีกคือเมื่อเกิดความขัดใจแล้วแทนที่จะดับมันเสียกลับรักษาเอาไว้ด้วยความรู้สึกว่าการที่ตนรักษาความขัดใจไว้นั้นเป็นการตอบแทนความล่วงเกินอย่างสาสมแต่หานึกไม่ว่าการทำเช่นนั้นเป็นการตีตัวเองเพื่อประชดคนอื่น ใครเล่าจะเป็นคนเจ็บวิธีระงับความกัดใจอย่างง่ายๆมีอยู่วิธีหนึ่งที่ผมเองชอบนำออกใช้คือเมื่อใครทำอะไรล่วงเกินเราพยายามนึกถึงเรื่องนั้นในแง่ขำเสียยกตัวอย่างเช่นมีใครคนหนึ่งด่าเราว่าคนหมาหมาแทนที่เราจะคิดว่าเขาด่าเราเป็นหมาก็คิดในแง่ขำเสียว่าคำว่าคนหมาหมา ที่เขาว่านั้นหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าคนกับหมาสองตัวอย่างนั้นหรือถ้าอย่างนั้นคนที่เขาว่านั้นหมายถึงใครหมายถึงว่าเราเป็นคนเขาเป็นหมาใช่ไหมแล้วที่ว่าคนหมาหมาหมายความคนกับหมาใช่ไหมหรือหมายความว่าหมากําลังจะกัดคนและที่ว่าหมาหมานั้น หมาอะไรหมาไทยหรือหมาฝรั่งหมาตัวผู้หรือหมาตัวเมียเมื่อวิเคราะห์ดูให้ดีแล้วคำที่เขาว่าเราว่าคนหมาหมานั้นเป็นคำที่ไม่มีความหมายเป็นคำพูดที่ไม่มีประโยคประธานกิรยิยกรรมรวมความแล้วคือพูดไม่เป็นภาษาคนด่าก็อ่อนวยากรณมากพูดไม่เป็นยังจะแค้นพูดด้วย ก็เมื่อคำพูดไม่เป็นภาษาอย่างนี้เราจะเอามาเป็นอารมณ์ทำไมคืนเข้าไปดีกว่าแล้วก็นึกว่าคืนเขาไปเสียพอถึงเรื่องนี้นึกถึงเมื่อครั้งยังเป็นเด็กวัดที่วัดสมพันธวงศ์มีสิทธิ์วัดอยู่คนหนึ่งเป็นคนอารมณ์เย็นดีมากใครๆก็รักแกเรียนหนังสือก็เก่งด้วยอยู่มาวันหนึ่งก็มีเด็กวัดด้วยกัน อีกคนหนึ่งซึ่งเป็นคนมโหร้ายไปพูดโยกับคนอารมณ์หย็นเข้าแกก็ไม่โกรธทั้งๆ ท, ท, ที่เขาว่าแกเปล่าๆแกก็พูดกับเขาด้วยซุ้มเสียงเรียบๆธรรมดาและใช้คำพูดอย่างธรรมดาผมเองก็นั่งดูอยู่ใกลกๆอยากจะดูซิว่าแกจะโกรธไหมก็ไม่เห็นแกโกรธตอนหนึ่ง นายคนที่โกรธนั้นว่าแกว่ากะแม่มึงว่าอะไรนะเหลิมลืมฟังไปแกเหื่อยหน้าขึ้นจากถังตักน้ำซึ่งกําลังจะยกขึ้นกะแม่มึงนายคนนั้นกระแทกเสียงแม่ข้าหรือเออว่าแม่ข้าตายไปหลายปีแล้วหละเหลิมว่าแล้วก็หิ้วถังตักน้ำไปทาธุระอย่างอื่น เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นการพยายามตีความคำล่วงเกินของคนอื่นในแง่ขำอย่างนี้เป็นการละลายคำพูดที่ชวนขัดใจให้หมดริดเสียทีแรกๆก็ทำยากหน่อยแต่ถ้าทำไปนานๆก็จะเคยชินเองแล้วจะรู้ว่าความไม่ขัดใจเป็นความสุขที่หาค่ามิได้จงหัดมองอะไรๆในแง่ขำเสียแ ต, ต่บัดนี้